เขาแต่เรคงใช่แต่เขาไม่ชอรคุรขก็มีปาเแน่ตอนครับเชิญให้กาบเรียนหลวงพ่อครับดอกบวไมครับอครับดอกบัวพี่จมพัวสงสัยใช่ไไม่ผมเดี๋ยวอาจารย์ผมไม่ถามเมื่อกี้ผมถามอยากจะรู้เรื่องอยากจะรู้อะไรตอนเรือกจิตใจแบบ แล้วอยู่นอกพุทธศาสนามาเรื่อบสายอยังไงอย่างรู้จากเลยถามท่านนะครับใช่ครับคือว่านี่ถ้ากดไปไม่มีใฟังไม่มีใครใช่อที่ด่านตอบให้ท่านฟังเนี่ะท่านตอบไม่เคยถูกดีเลยถูกแต่มันไม่เข้าใจถามว่าท่านได้ไปสอบแสดงหาศาสนาอื่นหีืยังท่านว่าไม่ได้ไปรแต่ว่ามาถึงศาสนาพุทธพอี่ คำที่ว่าพอแล้วคนฟังเห็นว่าท่านศึกษาน้อยไป <c oughs> เนี่ยไม้ทอนเนี่ยเห็นไหมส้นหนึ่งมันจะทางนี้ส้นห น, นึ่งทางเนี้ยท่านจับตลางกลางมันขึ้นทางเนี้ยสองส้ น, นมันก็ยกขึ้นเองของมันครับ <c oughs> ศึกษาพุทธศาสนาแนละศาสนามันหมดที่จะสงสัยแล้วก็ได้หยุดท่านเพีเดียวท่านในไปแต่ศึกษาศาสนาอื่นหรือเปล่าศาสนาอื่นมันอยู่ทางสองนี้ตรงนี้เป็นจุดกลางนะ ครั บ, ค, รบคือตรงนี้สันเห็นความว่าไม่มีที่จะเพิ่มเข้าไปอีกแล้วไม่มีที่เจ้าออกอีกแล้วแต่ความเข้าใจของท่านอย่างนั้นแต่คำตอบอย่างนี้แต่เราเขา้าใจพระพุทธศาสนาแล้วพอแล้วกั บ, บ้างเป็นอย่างนั้นอัตมาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเรื่องคนนับฟื้พุทธศาสนาะอย่างเมืองไทยเราน่ยอย่างโยมที่ว่าอัตมาก็ฟังได้เหมือนกันแต่ผมชื่อว่าพุทธศาสนาจะผมรู้เรื่องอันนี้ก็ฟังได้เหมือนกัน ถึงจะจะมาบอกไปว่าจะเอาฝรั่งมาหัดฝึกคนไทยนะไม่รู้เรื่องเลยเรื่องอะไรนะโยมศึกษาแต่เรื่องทางโลกทั้หลายมันก็ได้ดีไปทั้งโลกรู้เรื่องของโรคไปสักเรื่องนี้แท้จริงนั่นไม่รู้จักแต่เราอยู่ในกลุ่มพุทธศาสนาเท่า น, นั้นเองแต่เรื่องาศาสนาที่แท้จริงๆนั้นเราไม่ค่อยไปดูเรื่องมันเป็นอไรอย่างนี้ แต่ถ้าเพื่ออหลังก็ถามผมว่าศาสนาพุคืออะไรนี่ผมเนี่ยตอบว่าอะไรครับท่าน <laughs> อันนี้ไอโยมจะต้องไปศึกษาพุทธศาสนาอเองอย่ า, าเอาความรู้ของคนอื่นไปตอบเลยมันไม่ถ<ม>ูกผมไม่ผมไม่ได้หมายความงั้นครับผมหมายความสมมติเขาถามมาแบบง่ายๆว่า <c oughs> อ h a t is What is พุทธศาสนาคืออะไรเออย่าผมถามท่านพุทธศาสนคืออะไรท่านเอท่านท่านพอจะได้อแตมามันไม่ได้มินมีแล้วต้องตอบไปพุทธศาสนาเนี่ พุทธศาสนานี่คือความที่ถูกต้องเอานั้นนะจริงที่ถูกต้องแล้วมันเป็นความจริงใช่ไหมคะใช่ความจริงที่มันจริงหรือไ่จริงหรือที่มันถูกต้องเลยน่ะทุกวันนี้ถ้าเราทําถูกแล้วเราสบายกันทุกคนมันมันไม่สบายพราะทำไม่ถูกทุกวันนี้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคําที่ว่าที่ถูกต้องมันสําคัญมากที่สุดอ่ะเออ Uh, uh, อันนี้คุมหมดเลยคํา <c oughs> งสามที่คุมได้คัดแย้งเลยอะไรแล้วครับอริยศาสตร์นะครับไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องออก <c oughs> ชื่อมันหรอกไอสิ่งที่มันที่ถูกต้องนะ่ะคือความเป็นจริงน่ะแหละมันพุทธศาสนาแหละถ้าเราไปขึ้ความเป็นจริงเราจะไปถามอะไรอีกไหมถ้าบอกอ เ, เอาแก้วมาอายกแก้วมาแล้วเนะี่ยจะไปถามมันไม่หมดปัญหาแล้วเอานั้นอันนั้นก็เป็นขันนี่อันนี้เป็นแกวยกมาให้ดูแล้วคือความจริงแล้วมันก็หมดแค่นั้นนะีน่ไม่มีทางที่จะต้องไปแหละ เราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับะนะเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นเพรว่าผมก็ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมายอมรับว่าเราจะมีปัญญาถึงพอรอ่ที่จะรับนั่นแหละถ้ายอมรับก็ต้องมีปัญญาที่เออปัญญาเราก็มีคํำที่ว่ารับไม่จะรับของปลอมไปรับอย่างแท้จริงที่อย่ารับได้รับเอาเสียอย่างฉันได้มากมากของใช้ไม่ได้มันก็มากกวจริงอยู่แต่ว่ามันไม่ดีจะทํายังไง มันเป็นปริมาณใช่มันมีคุณภาพอย่างนี้อันนี้ท่านไงพูดถึงคือยกอันเดียวนี้มันคู่มหมดอ่ะใหม้มันคู่มหมดอย่างนั้นนี่มีเรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นอันตมาเคยพูดให้ญาติโยมฟังดูงสีุกหาอะไรแหละไปทั่วทิศปะ่ะอย่างเราออกมากันเนี่ไปเรียนความรู้วิชาใช่ไหมเรียกว่าศาสตร์มันไลยศาสตร์จะ เ, เกินทุกวันนี่นะมันยกักศาสตร์ไปจนจะนับไปไหวแล้วล่ะ แต่ว่าศาสตร์อะไรก็ตามเธอถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์เดี๋ยววุ่นวายพุทธศาสตร์นี้เวื่องากตอิจฉาเดีพยาบาลกันทั้งหมดเรียบร้อยมีตากรุณาคนนี่ยไม่มีทางที่จะไปแล้วไม่เห็นเจตัวเนี้ยอืมมีพุทธศาสตร์นี่ศาสตร์อื่นๆมีความรู้ดีเหมือนกันถ้ามารวมพุทธศาสตร์เนี่ยดีหมดทุกศาสตร์เลยถ้าแยกออกจากพุทธศาสตร์ฉะนัคือความจริงนี้แล้วเป็นศาสตร์ทะเลากันเท่านั้น นี่มันเป็นใช่ยอย่างนั้นอาตมาท่าบอกว่าไอศาสตร์คือพุทธศาสตร์เดียมันครอบแล้วครับ่ อ, อบครับ อ, อยากไปย้อนกลับไปไถึงลุงพีน ะ, ะที่คอรลุงพี่ไปถึงเทศพบนะฮะ<ไ>พบอันหลายครั้านะาแล้วเกิดขว้มลูกใจแสดงว่าลุงพี่ต้องต้องเอ่อเรียกว่ายาววังไงแบบเชื่อเยอว่างั้นนะ ไปตะคุบเอาเลยว่างั้นเอถอะตั้งแต่ครับผมไม่ไเคยเจ อ, อนครับเรื่องอะไรถึงไปปั๊บปใช่<ป>คือเรื่องนั้นท่านไปเรื่มใส่เฉยในะเรื่องแท้จริงมันท่านมาคนคว้าที่หลังนี่ใช่ไหมมีศรัทธาก่อนเช่ถ้ามีศรัทธาศรัทธาน่ะมันเชื่อไอ้ความเชื่อเฉยเฉยตรงนั้นก็ได้มาทาอย่างนี้แต่มาคนขว้า อ, อีกการบวชปฏิบัติเกิดมามันรูเรื่องจริไปจริงขึ้นมาทีหลังทับ ก, ก้นไปอีกทีหนึ่งก็ได้แน่ใจตอนแรกอาจจะไม่สมบูรณ์ไหมครับใช่อย่างคนอาไม้น่ะสีมัน แต่เขาเรียบสยมันข้างแรกเขทิ้งมันนี่องงผลไม้ตัวนี้เป็นเหตุที้เราทานกันไปแต่คนพ่วผลอื่นต่อไปอีกมันได้ได้ความจริงอย่างนั้นอืใช่นี่เดียวว่าขั้งแรกเนี่ยเชื่อโดยศรัทธาอธิมโมกขไม่มีปัญญานี่ก็ได้แต่มามาท่านเริ่ศึกษาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีทางดีเลี่ยงแล้วจําเป็นท่านยอมก็ถืยอมรับเพราะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองเนี่ยศรัทธามันสองอย่าง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 ที่เคาะพิจารณาดีแล้วมันไม่ควรจัดนี้ไปสักทีผมเชื่อครั้งที่สองเป็นไหมครับออเอาให้หมดนะให้นั่นผมจะพอจะเข้าใจอ <c oughs> แล้วอนอกจากหลวงพี่ปปองค์นี้มีคนต่างชาติต่างประเทศอื่นที่เข้าไปบวชนี้มากครับเยอะแยะไปเทียบัลปงนะบาทหลวงก็มาบวชอีกนั่นนี่เนี่ยโอเคแล้วที่บวชจะบวชเปนพระ นะฮะอืมแผ่นพุทธเป็นพระพุทธนะฮะนอกจากประเทศไทยแล้วที่ไหนมีครับที่นันอกจากเมืองไทยแล้วคนบวชหรือคนที่จะมาบวชคนที่จะไปบวชได้ครับฮะบวชที่ไหนครับนอกจากเมืองไทยแล้วได้ใครจะมีสัทธาบวชก็บวนได้จะบวชในเมืองไทยเท่านั้นใช่ครับนอกจากจะเป็นพุทธ่เมืองไทยเป็นบวชเป็นพระที่เมืองไทยแล้วนะฮะที่ประเทศอื่นมีที่ไหนบ้างครับยังยังที่นี่ก็ได้ต่อไปได้อืมคือพูดถึงพูดถึงคนทีไปบวชในเมืองไทย ถ้าเปิดไม่บวมือใก็อ่านในบท อ, อินเดียหรือที่ลังกาหรอือไงสถานที่บวชสถานที่บวชพูดถึงสถานที่บวชสานาะศาสนาเนี่ยมันอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละเรามีศรัทธาว่าบวชเนี่ยคําที่ว่าบวชนะอย่างไงนะอย่างเมืองไทยเรานะ่ะมันมีมันมีเทราวามีเทระสมาคมเป็นทางพุทธศาสตร์นาบวชจะต้องมีเสมานะปลูกซีมาตั้งซีมาสรางซีมาขึ้นบวชได้ตรงนี้ไม่มีซี่มาจะบวชตรงไหนนี่ บวเรียนทะเลศาสตรก็ได้อ่าเพราะว่าคำถามผมไม่ได้ไม่ได้หวานมาแล้วเอาไม้ย่าไงเอาไปที่อ่อสมมตินจะเรียนหนังสือนะมีเวหาอะไรดีๆอยู่สี่ห้าแห่งอ่านะอ่อคำถามผว่าทำไมก็มาเลอกบวชที่เมือไทยมากกว่าไปเลอกบวชที่ลังกาเออหรือมากกว่าเลือกบวชที่พม่าเอออ๋ออันนี้มันเรืองไอเมืองไทยเราทำไมคนไทยถึงมากกว่าไอฝรั่งอะ เขามาตั้งรกรากที่นั่นก่อนนะพุทธศาสนานี่ผมไม่ได้หมายถึงเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบที่เปรียบเทียบคนต่างประเทศที่ไปบวชที่เมืองไทยใช่คนไม่รู้เขาละอันนั้นเขาไปมีศรัทธาที่เมืองไทยเขาไปบวชเมืองไทยแต่ดวูเรื่องทั้งสองม่ได้ตรงนั้นเนี่ยต้องมีอะครับอาจารครับมีที่เขาจึงบวชอ่ะทำไมจะไม่มีเขาไปเมืองไทยมากก็ไปสืบกับพระมากเ้าไปบวชตรงนั้นมากไอ้คนหนึ่งไปคนสองเพื่อนเพื่อนของคนคหนึ่งมันมีกี่คนน่ะไอ้คนนั้นไปก็ไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมเหมือนคนหลายขึ้นมาอย่างนนนั้ เหตุผลมันเป็นอย่างนั้นครัและอิหยานต้นรากเหง้าที่สั่งสอนอบรมในการปฏิบัติธรรมศาสนาคือทางอุสสนากรรมฐานนุสธรรมทิ่เบนาปจังทั้งหลายที่ก็อยู่ที่โนู่นอยู่ที่นี่เข้าใจแล้วล่ะเข้าใจโยมถามว่าโยมถามว่าทําไมถึงไปวนเวือนไทยหลายคือเมืองไทยเราไม่รู้จักคนเป็นอะไรนะะคือคนไปเที่ยวเมืองไทยจุดแรกก็คือมีพระคนหนึ่ง พระประหลังในเมืองนอกเมืองใดคือช่างเหมือนเธอก็อไปบวชตรงนั้นก็ได้ค ว, วามเห็นชาติขึ้นมานะที่สอนก็ไปไอเพื่อนต้องคนคนนี้มันมีกี่ร้อยคนนะก็ไปเยี่ยมกันบอกกันไปกไป็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปอย่างวัดตัวคงเราครั้งแรกมีองค์เดียวทันทุกมีโูองค์เดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้รับไม่ไหวเลยเอหลายแต่ไม่ไรหมดทุกคนน ะ, อะเอลือกเราบางทีมันมีศรัทธามีความเห็น มากคนเขาได้มาบางคนก็มาปวดพรัน้าสองคนซาเสร็จแต่คงที่จะอยู่เด็กก็มาแปลว่าเขาศึกษาดังคนเมืองไทยเราศึกษาพุทธศาสนานี้อย่างท่านว่านะอยั่างจะมาใครว่านะต้นไม้มันหลายร้อยปีมาแล้วนะลูกมันต่อไม่เคยมากไมไปควนเหลือแจ่จริงที่มันตายเนี่ยมันพังลงให้เราปวดมันครับอย่างเมืองไทยเราเหมือนกันบวดเดี๋ยวนี้ สิบห้าวันเจ็ดวันเท่านั้นแหะไม่รู้เรื่องอะไรเขาเรียกว่าเป็นพิธีนานแหละววดเป็นพิธีอันนี้เขาไม่ใช่อย่างนั้นนี่อัตมานให้ใใหห้้อยู่เนี่ยอย่างน้อยปวดจนอยู่ห้าพรรษาอยู่ด้วยที่จะปวดเป็นนาคยู่นี่เป็นต้นเนี่ยตั้งพรรษาหนึ่งหรือสองพรรษาประมาณหนักกว่าคนเมืองไทยมันจึงเห็นชัดแต่ผมว่าถ้าเผื่อหลวงพ่อพูดว่าไ อ่าทุกคนบวชสี่ห้าวันฮะอรัสมมุติว่าทุกคนไทยทุกคนจะบวชสี่ห้าพรรษาแต่องาไม่ลองทําอะไรกันเลยไปพุทธภาพมันหมดถูกไหมครับมั้นวัดไม่ได้วัดไม่ได้ครับวัดไม่ได้อันนั้นสมมุติวันที่เป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็เป็นไปได้เจ็ดวันคนสามเดือนเป็นไปไปได้ถ้าบวชทุกคนบวชไปได้คนละสี่ห้าพรรษาหมดก็ท่ให้ กูจะม่มีคนทํางานให้ประเทศชาติใช่ไหมคะครับผมมององนั้นครับไม่มีคนทำงากิน <c oughs> โอ้ยอย่าไปกลัวหรื่องอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนี่ไอ้ไสเดือนมันกลัวดินจะหมดกินเนี่ยมันขี้กันมาแหว่งบอล เ, เราจะไปคิดอย่างนั้นทีเออมันคิดแบบนั้นน่ะแบบต้องภาษาเสเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสมมุติมาสพืัดบทไอ้ฟรอนต์จริงมันเป็นแบบไม่ได้อย่างนั้น ยังอาจจะมาที่สั่งสอนในโยมเชื่ออาจจะมาไม่ต้องไม่กำมมบวดหรอกี่สุดก็ยอมไปย้อน ไ, ไปหาได้เทไรก็เอาเทานั้นแต่เมื่อเหตุผลอาจจะมามีว่าถ้าบวชเจ็ดวันสิบห้าวันทุกคนจะเป็นไงเออมันจะดีไหมใครจะมาสอนสินธรรมในการดอีอย่างนี้มันก็คนในแง่ที่มันเป็นไปไม่ได้จะบวชเจ็ดวันสิบหาวันทุกคนไม่ได้ไดต้องบวดตลอดตายก็มีห้าปีหกปีก็มี หวันเจ็ดวันไยมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นะความคิดเช่นนั้นเป็นเป็นความคิดข อ, องใส่เดือนน <c oughs> จำไว้ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นที่ก่อนอาจามาครามมากรุงรอนเดอรเดินมาเมืองนอกครั้งหนึ่งเนี่ยถูกพวกวีบีซีเขาไปสัมภาษณ์จนได้ออกหนังเนี่ยใช้หนันงวันสารพัอย่างนะสัมภาษณ์ได้เขพอใจเ ต่อนั้นมาก็มีพวกฝ่าพรดังเข้ามาปวดเรื่วยๆตลอดมาแต่ความเปจริงคือเรียกว่าเขายัางไม่เคยเห็นการทําอย่างนี้<ำ>เขาก็อยากจะไปดูไปทํากัน<ำ>ไปดูไ ป, ไปทำเนี่ยมันก็แปลกอย่างนี้ไม่ใช่ใดว่าทุกคนนะไม่ใช่ไดหมดทุกคนไม่ใช่ไดหมดทุกค น, ม, น, กคนมันเป็นไป อ, อย่างนั้นเรื่องศาสนาเนี้่ยยังไงดิผมผมมีความสนใจนะแต่ ผมว่าสุขภาผมอาจจะไม่แรงเหมือนเออได้นวันในนั้นกวอนสุขภาอย่ามาไว้ในนี่เลยสุขภาพผมมีนะฮะใช่แล้วผมพยายามใช้ชีวิตที่ว่าอในทางที่ถูกนะฮะเรื่ออาจจะผิดเบ้างที่อหนะครับไม่เป็นไรถ้ามันผิดถูกมันสลับกันไปแหละมันมีหวานอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกเปรี้ยวอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกเมนูเปรี้ยวมีหวานสลับกันไปครจะทําให้ให้ถูกเหมือนเหมือนหลวงพ่อ เรื่องพี่นี่ผมว่าผมคง อ, อาจจะยังมีปัญญาไม่เต็ครับใช่ก็อยู่คนที่ใครจะเฝ้าว่านเนี่ยไปหมดลนะแล้วก็อยู่เฝ้าว่านทุกคนอยจะไปหมดกันดิ ใช่คร <ś les> ับไปเป้า บ, บ้านเอ๋นั้นน <ś les> ีแหละเ็กวาดบ้านให้ดีนะทาบ้านให้สะอาดนะอย่ายอยู่เฉยๆนะ่เฝ้าบ้านนะบ้าน่บ้านเออใช่บ้านสะอาดบ้านสะอาดดีมากนะคะ <ś les> เาตีวันนี้นะ่ตั้งใจมาแล้วเนี่ยไม่มีเวลานานเนี่ยจะแก้ความสงสัยลูกหลานเราเนี่ยนะให้ปรึกษากันไม่ใช่ว่าสนทนาเรื่องใดแตเรื่องพุทธศาสานานี่ก็เดือยไอ้พวกเรามันอยู่กันนานแต่ว่าไม่พูดถึงโยม ผู้ปฏิบัติศาสนาเนมันตายเราที่จะมาเห็นอะไรเลยเฉพาะไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงออาฉะนั้นอาตมาก็จะรายงานให้ญาติโยมทราบซะหน่อยหนึ่งอาตมานี้ไม่ได้เรียนอะไรหรอกเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องจิตใจบวดปมาแล้วก็อยู่ไปไม่กี่พรรษาก็ออกป่าสอันนั้นตั้งแต่คาวท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ระขนาดถึงถึงเนี่ยศึกษาพุทธศาสนาเขาเป็นอายุกเก่ากว่าเป็นเด็กมาเยอะ ง, งั้ย ไม่รู้เขาไปอะไรกันเขาไปเขาอยู่กันอ่ะตอนอายุเก้าขวบใช่เขาไปอยู่ก็เด่นเด่นกับพระเจ้าพระสงฆ์คุกคีกันไม่ใช่ใช่เลยใช่มันมีศรัทธาอย่างว่านอ่ะมศรัทธาอย่างยมว่านศรัทธาอยากเขับไปอยู่วัดแต่ไม่รู้ว่อยู่พ่อไม่รู้ว่าอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นอ่นี่ไม่ต้องสงใจมันแล้วที่นี่คนเราถ้าเราไปศึกษาอยู่นะอย่างเช่นเราเนี่ยนะเราให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันก็โตทุกวันเลยจนถึงที่มันถึงวันนี้ เกิดมาทั้งแรกไม่โตถึงนี่เราต้องให้อาหาร ม, าววนมันทุกวันมันทึบโตมาบัดนี้เราก็าไปเสพสั่งสมในที่อะไรมันก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเข้าใจขึ้นมามันก็เปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนี่ยังเด็กๆเราเกิดมาชอบเด่นอย่างหนึ่งโตมาขนาดนี้อยากเล่นอย่างเด็กมันเด่นไหมนะไม่อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นมั น, น, ม, น ม, ม, มีประโยชน์แต่เราจะพูดไอ้เด็กบางเมื่อก้ท่ามันมีประโยชน์หรือแม่มันเกลียดเราเลยนะ เด็กจะนะทําไมเราก็เป็นเด็กก็ชอบอย่างนั้นทําไมมันเปลี่ยนนะภาระนี้ทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติมันได้เรียนในเสพสูงมาเนมันเป็นมาอย่างนี้อือมีการเรียนกับธรรมชาติของมันครับแต่ธรรมะก็โอกาสให้โอกาสถามนะอย่าโยมเราหน่อืาไม่ได้เอาอะไรมาพูดใลยฟังเอาความจริงเนี่ยพูดเลยฟังกับกับผมผมมีปัญหาถามมีพ่อ เดี่ยวจำนวนเวลาเพราะนั่งกรรมฐานนะฮะอือออยากนั่งกรรมฐานแบบพจนี่นั่งยังไงกันผมคิดว่าพวกเราหลายคนที่อยากอยากจะนั่งเหมือนกันใช่ใช่แล้วผมอยากให้ท่านพูดถึงผลประโยชน์แล้วก็ทางในทางร่างกายและจิตใจของกายาดได้นั่กรรมฐานแล้ววิธีทำก็ได้วิธีทําก็ได้ใครยอมจะทําได้ไม่มฮะแล้วที่มีใครขอให้ได้ทั้งนั้นกวจะมีคนเอาเท่านั้นะ ท่านท่านทำไมท่านไปคิดอย่างนั้ น, นครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมจะยอมรับคนใช่ก็พูดให้คนฟังนี่จะทํายังไงอะเรื่องนี้เรื่องเรื่องพระเนี่ยนะไม่ใช่มีอะไรโดยตรงเป็นอย่างอื่นนะเรื่องจะสั่งสอนตัวเจ้าของนะั่นแหะสั่งสอนประชาชนทางไหนที่อุปการะพรมาถึงวันนี้ไม่มีเรื่องอื่นจะพาไปอะไรไปที่ไหนไม่มีนะเอาเฉพาะความเป็นอยู่และป ร, อสอระสงค์เพาะตัวประสงค์เพาะคนอื่นอท่นั้น เรื่องพุทธศาสนานี่นะเรื่องศีล น, นะเรื่องศีลบทของมันนะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเท่านี้สารูปง่ายๆเรื่องศีล น, นั่ น, นเรื่องทําเราทางไหนเป็นต้นไม่ให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหมดตนะหมายความไปอย่างนั้นอย่าไปว่าทําไมมันไม่ทำไมมันวุ่นวายอย่าไปว่าอย่างนั้นนะ ข้อที่สองความไม่วุ่นวายเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเนีความสงบเกิดขึ้นมาคือสมาธิเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วได้ดื่มวามสมาธิด้วความสะอาดมันจะมีปัญญาก็เกิดขครอบเลยทีนี้มาพูดถึง ก, การกระ ท, ทํานีนี้มันจะทํายากได้หน่อยนะยากน้อยแต่ว่ายากก็ไม่เป็นอะไรหรอกยากมันถูกของดีมัน มันต้องยากหน่อยมันจึงเป็นทุกข์ถ้าคนไม่ทุกข์มันไม่ลืมตาหรอกถ้ามันมีสุขหือมันดับสนิทตรงนั้นเนี่ยขิดเหยียดไปเลยทุกข์นี่มันแพงกันไปเราดึงให้มีความคิดมากให้ขยายตัวขึ้นมากเพราะเรามีความทุกมากนานแล้วเออแล้วมันมีความทุกข์มากนี่ทุกข์มันเกิดมาเพราะอะไรแกต้องรู้มันดีไม่ใช่ว่านั่งให้มันหมดทุกข์เฉยๆมัดนี่ ฉันหนักแล้วมันหนักเพราะอะไรเพราะยกแก้วนี้ขึ้นมามันถึงหนักถ้าปล่อยไม่เฉยแก้วนี้มันไม่หนักไหมจากจะไม่ปรากฏแต่เราพรเราไม่ไปสัมพันสกันเหมือนมันก็ไม่หนักนี่เรื่องทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นเราทําไมมันถึงหนักเพอเรายกแก้วขึ้นมาทําไมมันถึงทุกข์เราไปจับทุกข์มาไว้แต่เราไม่เข้าใจว่าทุกข์นะว่าทุกข์นั่นจะเป็นของประเสริฐว่าทุกข์นั่นจะเป็นของดีู้ให้วางก็วางไม่ได้ให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ ก็นักเียงเงนทุกข์กับทุกข์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจันสอนให้รู้จักทุกข์ที่ไปยึดขึ้นมาเนี่หมายความว่าไปหมายมั่นมันเกินเกินไปไปยกมันจนเกินไปไม่วางมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจันสอนอะไรก็ไม่ดีจัดท่านยังสอนหายาเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เ้าอันนี้ไม่ใช่ของเราเถียงท่านไมยุดเหมือนกันนะเถียงเฟื่อจะแบกเอาให้มันหนักหนักอันนี้ทําให้หนักก็ไม่สบายนี่ นหนักจังลิ้มตังโลนนี่อันนั้นมันหนักก็พยายามเป็นตะโกยเอานี้น่ะคําที่ว่าท่านมาวางเงี้ยผมก็ไม่ทํามาหา ก, กินีิไม่ใช่อย่างนั้นอีกไม่ใช่ให้ทำมาหา ก, กินอีกละให้ขยันขึ้นในทางที่ชอบไม่ใช่ให้เกียดข้านให้ขยันให้สะสมอันนี้แต่ว่าให้รู้จักวัตถุอันนี้วัตถุอันนี้ไม่ใช่อาหารี่สําหรับใส่น้ามาดื่มอย่าไปดื่มทั้งแก้วนะถ้าิื่มทั้งแก้มันเป็นทุกข์เข้าใจไหมนี่ นี่จะไม่ใช่ของเราจะเอาไอ้ชารักษาไว้ ใ, าาให้ดีอือเพื่อจะได้ใช่แต่ให้เข้าใจม่นไม่ใช่ของเรารักษามันไว้เมื่อถึงคราวมันแตกเดี๋วมันแตกไปอือย่างนี้ให้ได้ใช่อันนี้อยู่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ให้สัมพันธ์กันต้องให้สัมพันธ์ให้รู้จักอันนี้อยู่มันเป็นเรื่องที่จะพูดยากแต่คนนั้มาสัมพันธ์ในเรื่องของเรา ในไปมั่นไปหมายมันจึงเกิดทะเลาะว้อแวงกันมาเพราะสิ่งที่มาใจของเราเราเข้าใจแบบของเรานี้เองมันจึงถุกเกิดขึ้นมามันยึงเป็นของหนักอย่างนี้แต่เราให้รู้จักอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปพิจารณาถึงจะได้จะต้องไปวิจัยต้องไปพิจารณาดูเหตุผลมันจริง ๆ, งๆอย่างนั้นแต่ยิ่งให้นั่งสมาธินั่งสมาธิเราเป็นหั่งไอคนศึกษาทางโลกกันมาเออแต่นป็นนั่งเรา เป็นนั่งดับตาจะเห็นอะไรื้อตาก็ยังไม่เห็นไว้า <c oughs> <g ül> มันว่าไปยังงั้นอีกซะแล้วเรามองดีมวงระหาเมืองไทยเราเห็นไม่สายตาเดินเรานั่งดับตาถึงมันเดินทางนี้ทางจิตเนี่ยอเราเรยไปเห็นขนาดนั้นไปนัง่งไปนั่งไม่เกิดประโยชน์อะไรไงพ่อเห็นว่านั่งไม่เกิดประโยชน์ไปนั่งพับเดียวคือไม่รู้จักเรื่องของมันไอความเป็นจริงอน่ยตาของคนเราเนี่นะตาของคนเรานี้ท่านแยกเป็นสองอย่างตาเนื้ออันหนึ่ง ตาปัญญาอันนี้ตาปัญญาเห็นถึงความจริงควรโศกไม่โศกควรดิ้นโดนไม่ดิ้นโนเพราะเห็นต่างความจริงมนเช่นว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วเสียดายมันอย่างนี้นะอย่าพึงดีผมฟังก็ต่อมันแตกเมื่อไหรมันแตกเราเสียใจเนี่ยเสียใจเพราะตาในคุณยังไม่มีถ้าตาในตาในของคุณมีแก้วใบนี้มันจะดีอย่างนี้คุณจะเห็นมาแก้วใบนี้มันแตกแล้ว แล้วคุณจะต้องใช่แก้วแตกทุกเวลาทุกวันนี่ท้งเก้งผืนนี่ก็ใช่ทางเก้งที่มันมันมันผุแล้วนะเสื้อนี้มันก็ผุอยู่แล้วเห็นชัดแก้วอย่างนี้แก้วใบนี้มันถึงแมยมันดีอยู่นี่ก็เห็นว่ามันแตกอยู่แล้วทําไมถึงจะเห็นว่ามันแตกอะไรก็เห็นที่มันไม่แตกอะไรที่มึงบอกมึงว่าแตกมันมีอยู่นี่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้ทุกอย่างแก้วใบนี้เราใช้ไปโดยทางที่มีปัญญาเราใช้ไฟมันจะแตกมาหรือมันแตกพวกกะไรปะมันเป็นอย่างนั้นเองของมันนะ ทุกไม่มีปัญหาไม่เกิดเพราะว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่แม่ถึงหนักไปกว่า น, นั้นดีอย่างคุณป่วยนะคือว่าดูตัวตนจริงๆอันนี้แบบนี้เสียดายถ้าคุณป่วยปุกเข้ามาถ้าเข้าโรงพยาบาลนะคุณยิ่งนึกว่าโอ้หายแต่เติร์สประคุณไม่หา ย, หายถ้าะอาจารว่าอย่างนั้นท่านไม่เห็นทางเนี่ยจะาหายก็เอาไม่หายแต่เห็นอย่างนี้ เห็นทางที่ไม่ต้องทุกถ้ามันหายก็ให้มันไม่หายไปถา้าหายก็ใหมันหายไปถ้าเราอยากให้มันหายอย่างเดียวถ้าเหตุที่มันไม่หายมีก็ลองให้เท่านั้นแน่ได้ไหมคือเหตุมันยังเหลืออยู่อย่าง น, านั้น่เชื่อมันยังมีอยู่นี่ธรรมะตัาฑสอนไปทางในโน้นท่านหมายถึงว่าถ้า BET เผ<ร>ื่อว่าถ้าเผื่อเราอจะทําอะไรแล้วเผื่อเราทำมาดีที่สุดแล้วมันเกิดแค่นี้ก็ให้พอใจแค่ น, นั้นได้ไหครับใช่ ก็มันสุดได้จะทําไงอยู่อ่ะทีนี้ถ้าสรุปแล้วนายพลามเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายมันเป็นอย่างนั้นขอมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่เราทุกเดี๋ยวนี้นะเพราะอะไรนะอย่างคุณสองคนนี่นะเดินไปไปเห็นสัตว์สองอย่างเปรียบเทียบนะธรรมะต้องเปรียบเทียบนะไอ้ตัวหนึ่งเป็นเป็ดตัวหนึ่ง เ, เ, เป็นไก่นะคุณสองคนนี่จะเห็นไหมไอ้เป็ดทำไมไม่ไเหมือนกับไก่มันน่าจะเหมือนกั น, นไก่กับเป็ดเนี่ย คิดเอยไปยังมันเหมือนกันอย่างนั้นจยิงนอนไปคิดอย่างนั้นนอนไปเดินไปคิดอย่างนั้นคิดยัให้ไก่เหมือนกับเปิดคิดยให้เปีดเหมือนกับไก่คุณจะทุกข์จนตลอดเวลาเลยถ้าคุณนี้เดินกระไปพวกเออเรื่องเปีดก็ให้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องไก่ก็ให้มันเป็นอย่างนั้นของมันมันเป็นอย่างนั้นเแล้วปัญหาก็ไม่มีครับนะปัญหามันสงบอย่างนั้นไม่ได้ผูกไว้นี่คือเห็นต่อความเป็นจริงมันอย่าง นะั่ใจ่ท่านครับไอไอข้อนี้ครับผมยังยังไม่เข้าใจดียวเดียวให้มันเข้าใจแล้วไม่เข้าใจตามเราพัทธศาสนาว่าเห็นไปตามเข้าไปเห็นนะอ่าอย่าบังใจนะใน่งที่ทททเกิกกดขึนนนนน้นอย่างนี้ที่ผมเข้าใจเอให้เข้าใจถูกดียังงั้นไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนดิหรือจะไม่กินยาเลยกนนั่นนี่เรื่องโรคประสบเป็นอย่างนั้นมันไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนอย่าเพิกินยามันหายทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจขนาดนั้น บางคนหายบางคนไม่หายอย่างต้องเข้าใจไปแบบนี้อันนั้นมันเรื่องหลักองธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นทีนี้ไอ้ไอ้ไอ้บ้านเมืองเราไอรร้ทาไมมันไม่เคยปรับปรุงกันเงนี้ยจะไปปรับปรมันทําไมเเดียยครับแล้วเพื่อเราเกิดมาอีกี20ปีแล้วมาตายไปแล้วเรื่องอะไรถ้าอย่าคิดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราเข้าไปในพุทธศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่มี คนขยันถึงแก่ขนาดไหนเป็นต้นก็ยังขวดบ้านให้ดีทั้งนั้นเนี่ยเป็นเป็นนิสัยลุกเศรษฐีคนเสษฐีแล้วยังรักษาไในมั่นคงไม่เหมือนคนขีเนข้เกียจคนขี้เกียจคนทุกขี้เกียจอย่างนี้ไอ้คนที่เคยขยันมันเป็นสันดานอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องขยันจนแก่ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนี้เป็นเป็นสัญญานอย่างนั้นถ้าเรื่องพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราอย่างนั้นไม่ใช่ของเราอย่างนั้นนะ ไม่ต้องทำอะไรมันนนี่มันใช่เรื่องความคิดของพุทธศาสนานั่นก็คิดไปน็นแขนงหนึ่งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่แต่ว่าให้หาให้มันมากก็ได้แต่อย่าเราอจะให้มันทุกข์กับอันนี้เห็นไหมอย่าให้มันทุก ข, อนนออกข์อย่าให้นี่เป็นพาพาให้เราทุกข์จะให้เราใช้อันนี้อยู่แต่อย่าให้อันนี้พาเราทุกข์อย่าเป็นธาตของสิ่งนี้เราหามันมาก็เป็นธาตมันพอแรงแล้ว มันจะแตกไปก็ยังทุกข์กับมันอยู่อีกนี่จะเอาดีเมื่อไหร่ล้วเราเออนี <Sta> ่เรื oui. well ่องจิตนะเรื่องจิตนะไอ้คุณแยกมบอกเป็นเรื่องจิตนะโอเคอ่าไอ้ที่ที่ที่ผมผมได้อ่านบทความของพื่อานทีิกลุ่มนะอ่าอย่าให้นึกว่ายึดมั่นว่าอย่าไ้เป็นของกูเออเออท่านพูดแบบนั้นนะว่ากูของกูแล้ว อยยึดมั่นในนั่านนะท่านหมายความว่าไงครับท่านคนชาติพุทธนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ท่านอธิบายฟังใช่นี่นคือกูนั่นมันไม่มีไม่ใช่ว่าจากของนี่ไม่ใช่ของเราตัวเรานี่มันก็ไม่มีกูนี่ท่านหมายถึงเรายึดสันถือว่าของนี้นมันเป็นทางให้เราเกิดทุกข์ถนะ้าหากว่ามันมีกูนะมันมีโดยฐานที่สมมติ เดี๋ยวนี้คนยังพูดไม่เข้าใจกันคนนึงพูดไปข้างล่างคนหนึงพูดขึ้นข้างบนมันเรื่องจิตเรื่องความเป็จริงจริงๆกับเรื่องธรรมดานี่มันพูดยากที่จะเข้าใจกันอันนึ่งมันเป็นภาษาคนอันนึ่งเป็นเรื่องภาษาธรรมะแต่มันไม่ไปตรงที่ภาษาความจริงเนี่ยจริงๆถ้าเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นมันมันมันเป็นอย่างนั้นอครับอันนี้ต้องต้องอย่างน้อยท่านจะต้อง ไปนั่งดูให้จิตให้มันสงบท่านยังให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยตนเองอย่างนี้เถียงกันไม่มีหยุดเลยเทียงกันไม่มีหยุดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อืมมันมันมันมันมันไม่เห็นแน่ตรงไปตรงนั้นไอ้ความเจริงตรงนั้นแหละมันเป็นความจริงอย่แล้วแต่เราไม่เห็นความจริงมันมันก็ยกกันมามาพูดกันไม่เข้ากันพูดอันเดียวกันไม่เข้ากันใช่ผมว่านี่ปัญหาของโลกใช่คือคือผมพอจะเข้าใจแล้วครับเออ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 เมื่อโดยทันสิสมมติต้องเป็นเราเขียนว่านี่ชื่อไป่ตรงกันทุกคนท่ครับสมมุติว่าโอเคอเราเกิดมาไม่ ด, ดีนะ อ, นอยู่ชื่ิไปนานและเรื่องไรเราไม่ควรยึดมั่นหรืมั่นในสิ่งทั้งหลายและเรื่องไรเรามามัวเสียเวลาทำอาชินสร้างบสะสมบัตรไว้ให้ใครครับไหนก็นั่นทีเช่งว่านี่สร้างก็อยาให้มันทุกตีสันไม่ทุกเท่า น, นั้นอยากสร้างอยากให้ทุกก็ไม่ต้องสร้างไว้ใครเออไม่ให้ใครทั้งนั้นนี่สร้างไหนใคร คุณทุกคนสร้างไงใครมีไม่ตัวเราอยู่ใช่แต่พูดตามความจริงเนีสมมติเราคิดแบบนั้นนะนั่นเราแต่ไม่ใัฐบาจะเลยตามผิดเสมกเมื่อเราต้องอารจากของรักไปอะไรอานี้ถเผื่อเราคิดแบบนั้นแล้วเราจะสร้างสร้างอะประเทศชาติจะเจอได้ไงครับถ้าเผื่อเราเรียกว่าไม่ใช่ของเราเราสร้างสร้างมาทำไมเมื่อไม่กี่ีเราก็ตายแล้วนี่ใครสร้างนี่ใครเป็นคนสร้าง ได้เป็นคนสร้างนี่เนี่ยคนสร้างได้อะไรไม่ดีนี่ทีนี้พระพุทธเจ้าองค์ท่านไม่สอนอย่างนั้นน่ะท่านไม่สอนเนี่เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นแก้วใบนี้มีสตางค์กระเชื้อได้หลายเถอะเพื่อนมาใจคนได้ใบแต่ใบในใ บ, บ, บ, บดืนมน้ำมาได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้มีไม่ใช่มาหาเข้าไปทําทไมมีมากก็ได้แต่เราอย่าให้มันเป็นทุกข์ให้รู้จักทุกแก้วทุกใบทุกใบแต่นั้นครับนั้นผมปล่อยเข้าใจเอ เราสร้างได้พยายามสร้างเอหมายถึงว่าต้องกระจายสิ่งทีจะสร้างสร้างในสิ่งที่ให้ถูกทางเมื่ไหครับได้ใช่คือเรื่องถูกทางไม่ถูกทางนั้นนะถึงแม้คุณจะเอาเงินทองของคุณมาทุ่มเทสร้างขึ้นก็ถูกทางของคุณนะนะแต่ว่าเมื่อบ้านมันจะพังเมื่อไรนั้นนะมันก็นยังเป็นของคุณอยู่นะ มันจะทุกข์อีกมันจะลา บ, บากอีกถ้าไฟมาไหม้หก็จําะบาดให้รู้ไว้อย่างนี้ถ้าเราจะสร้างก็ได้อืมถ้าเราก็สร้างก็ได้ถึงถึ ง, ถ, งถึงจะคุณมาให้เป็นของคุณกว่าิงแต่อ่ะผลกิจสุล้วมันก่อไม่เป็นอยู่แล้วท่านบอกไปก่อนใช่ว่ามันไม่ใช่ของคุณถ้าหากบอกไว้แล้วมันเป็นของคุณอย่างแ น, น่นอนคุณจะยิ่งจะเป็นบ้าห ล, ลงไปควนี้อีกขนาดท่านว่าอันนี้ไม่ใช่ของคุณนะระวังนะมันเป็นสมบัติอย่างนี้ขนาดนี้เลยยังจะกลายจะไป็นหอบให้มาก ไม่ใช่แต่นั้นยังทะเลาะกันอีกยังปนกันอีกนะยังทะเลาะกันอีกนะเนี่ยของไม่ใช่ของใครสักคนกันเ อ, อ, องนะเท่านั้นนะให้มันเบาทุกขลงไปเท่านั้นอืออือให้รูจักระวางในทางพุทศาสนานเป็นอย่างนั้นมันไปถูกความท่านนะท่านตัวม่บังคับให้ท่านสร้างนะพระพุทธเจา้าใครบังคับให้เราสร้างตรงนี้บ้านเรานี่นะแต่ความอยากเียมันเกิดขึ้นตรงนี้เอง เป็ความอยากนี่ครับที่ผมสงสัยว่าวมัเ น, เ ป, นเป็นความดีและความแหลกับที่เรามีความอยากทำแบบนี้มันเป็นความถ้าเรามีปัญญา น, นั่นมันความอยากกัมันก็ดีถ้าเราโง่เน่ยมีความอยากกันมันก็ไม่ดีเลยคนรวยมันดีหรือเปล่าก็คนจนอะไรมันดีกว่ากันเนาะจะถามคนนุณยังไงครับคนรวยกับคนจนใครดีรกว่ากันมันต้องถามว่าดีเอแบบไหนแล้วแบบไหนแต่แบบมันดีนะดอก ดีถึงสิสุดมันน่ะล่ะเอาดีอะไรเก่เาฮะคนดีแล้วคนรวยดีกันน ะ, ะคนจนแล้วคนรวยเอคนจนกล้คนรวยผมว่าก็ดีทั้งสองทั้งสอทส อ, อ, องฝ่ายคนรวยเคยมีทุกข์ไหมทั้งสองฝ่ายนี่ตรองแน่นั่นแหละมันก็เสมือกันอย่างนั้นไหนไหมแต่ผมว่าคำว่าดีากันนี่มันไม่มีใครดีกันโลกใช่นี่มันเสมือกันอย่างนั้นดีพดพูดถึงสิสุดมันถ้าไปดูบ้านถ้าถ้าคนมีบ้านนั่งใหญ่กว่าวัน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 อย่าไม่เชื่อให้ฟังเอาไปฟังฟังไม่เฉยฟังไว้รู้ตเหตุการณ์พวกมันสี่เป็นไปอย่างไงคุณสํานึกอยู่เสมอว่าดีื่อยๆมันเป็นยังไงสังเกตเร่อยๆเรื่อยๆเรืๆไปนะมันเป็นจะเชนน้นเราจะเห็นมาจริงคือแม้มันขามันมากมันจะวิ่งเร็วนะไก่มันสองขามันวิ่งช้าครับน่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่จับตัวตัวตัวมวิ่งแข่งกันในจริงคือสู้ไหวไหมเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้รเอหนี่ขามันมากมันเจะกะเฉเฉยตัวมีนนนงที่ไอชิดทบควรไปมาเป็นต้องไปภาวนาให้เห็นทางกิตก่ออันนี้อันนี้ไอคุณจะเสริมออกมามันเป็นทางนอกอันนึงะทางในอันนี้พูดเสืิมเหอกันนี่มันฟังยากกันเลยในในในในที่ว่าอย่างนี้อัจมาจะบอกง่ายง่ายๆว่าถ้าความสงสัยอย่างนี้มีอยู่นะถ้าคุณจะไปเที่ยวถามให้หายความสงสัยนั้นตายก็ไม่หา คุณจำใหวดบทหนึ่งนะนะถ้าหากว่าคุณจะหายสงสัยหนึ่งคุณจะนั่งสมาธิวิจิตสงบหรืออะไรนึงไมารู้เป็นมาเองนั่นแหละแล้วหลวงพ่อจะแนะนำวิธีนั่งสมาธิไดออ้ได้ได้ได้ครับสมาธินี่นะสมาธินี่เป็นเรื่องของทำทำยากได้หน่อยหนึ่งก็เพราะว่ามัน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 ชวโมงหนึ่งห้านาทีสามนาทีก็ยังดีนะจะรู้สึกว่าจิตนี่มันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ที่นี่มันจะลําบากที่เราวันนั่งนั่งสมาธิเยินๆเป็นนั่งดูกระต่ายไหมัตบตาดังเส้นิดหนึ่งนั่งให้ทําความปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องนึกคิดอะไรมากปล่อยเวลานี่ปล่อยให้มันมีความรู้สึกรมมันออกแต่กะรมมันเข้า รมมันออกให้รู้ตามลมเท่านี้ไม่ต้องไปทําอะไรมากมันจะรู้อะไรมันเจนยม่อย า, อยาคิดวุ่นวายเลยแล้วสมมุติตอนที่นั่งนะผู้ที่ไอ้ไอ้ไอ่องเลือดมันเข้าในกินเรื่องอะไรไอ้เรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องอะไรแบบนี้ในชีวิตเรอไอ้เรื่องที่เราเกิดไปเจออะไรคนนั้นนั่นละนั่นละนั่นเรื่องทรม า, มานมันนั่นอุบติมันรู้กับตรงหนห้กับตรงนั่นดิ <c oughs> แต่มันไอ้ไอ้อไอ้ไอ้ไอ้ไไ ที่เรานั่งสมมตินั่งนะไอไอจิตอย่างอื่นมันเข้ามาจิตอะไรไอไอเรื่องอื่นเข้ามานี่มันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่มันไอไที่จะเราจะตัดโดยใจรับพับตัดให้มันหายใจหายใจไม่ใช่เอาเดียวนี้นะนั่นนะนี่อีกชีวิตหนึงได้ก็ยังดีนะนี่พูดนี่นะไม่ใช่ว่ามันง่ายขนาดนั่นนะตรงไหนรู้มันเรื่องอะไรก็ผมว่านะครับอ่ะอ่มันไอที่นั่งโดยไม่ให้มีอะไรจิตเข้ามาให้ว่างทีเดียวนี่ยผมว่ามันใช่ เข้าใจหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นน่ะเช่นว่าคุณนั่งเสียงดนตรีเขาเล่นเนี่ยคุณต้องการความสงบใช่ไหมคุณ<ต>ยังไง <ผม S 1> นะเออได้ยินนะได้ยินคุณจะนึกว่าอย่างไงคิดว่าเสียงมากวนเราอย่างเงผมผมไม่นึกนึกยังไงจะสบายไหมจะสงบสง บ, สงบไหมผมก็ผมสงบเสียงก็เสียงไม่ไหวฮะได้อย่างั้นจริงเด้ออันนี้ด้วเป็นคำพูดเฉยๆนี่ไม่บางทีได้ยังไนจริงแต่บางทีถ้าเผืออยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ถูกอารมณ์นี้นานเนี่ยมันก็รบกวนเหมือนกันครับนานมันรบกวน นี่รบกวนไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นรบกวนเราเราไปรบกวนเขานั่นเข้าใจไหมก็ถูกแล้วครับนั่นแหละเออเนี่ยคุณต้องเข้าใจใหม่คนจะพูดตรงต้อยู่คุณจะว่าแมนั่งสมาธิไม่ได้คนมารบกวนเสียงมารบกวนอย่างนี้พอคิดได้แต่มันไม่ถูกถ้าถูกแล้วเราเราไปรบกวนเขาเขาไม่รบกวนเราถ้าคิดทางนี้กิบก็บสมองง่ายเด็ดเด็ดหลวงพ่อยอมรับเปล่าว่าตอนหลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อมี ไอเส็งอย่าอื่นเข้ามาแล้วคนมั้งนะมีใช่ไหมครับมีผมกอถามได้นะครับเอมีมีแล้วหลวงพ่อทไงรับเวลาแต่รู้มันอันนี้มันเป็นอะไรเนี่มเป็นอารมณ์เฉยๆแต่ไม่มีอะไรกับมันไม่มีความวุ่นวายกับมันแล้วเห็นไก่มันผ่านเห็นไก่มันผ่านเห็นชุนนักคนผ่านชุนนันผ่านไปแล้วอะไรมันผ่านก็ผ่านแ้ไปอนี่ก็สงบอยู่เฉยๆแต่นั้นพอรู้เรื่องของมันแล้วอย่างนี้คิดต้องก็สงบ หลวงพ่อยัไม่บอกวิธีนั่งลครับนี่นั่งเดียนี่นสมาธิเดียนั่งนั่งเออเออนั่งมาธิั่งิ่เอาข้างขวาจับปาย้ายมือขวาทัมือซ้ายนี่นนี่่าิ๊ะเออดังงใจตรงมือขวาัมือซ้ายเออตรงนะนั่นฟันติดคูปนั่นหนึ่งนะกล่ยทับนัแล้วก็เราจะนึกว่าเวลานี้เราจะปล่อยวางทั้งหมดให้รู้แติีเดียว เรื่องการงานทุกสิ่งสรื่อลอยแล้วเดืยนนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็พ อ, อ, อ, อ, อใช่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่จองนั่งแก้ปัญหากับใครแล้วลว่าเราจะปล่อยวางนะ่ะเออปล่อยแล้วกำหนดให้ความรู้สึกกับลมนะอารมณ์เป็นเป็นหลักฐานลม อ, ออกคือว่าหายใจให้มันสบาหายใจให้มันสบายนะอย่าไปบงังคับห้มันยาวนะอย่าไปบงังคับไปมันชั่นนะให้ไปตา ม, ตามสบายของมันนะ ที่จะมีอะไรมาผ่านก่อช่างมันก็ปล่อยวา ง, นะงนั่งอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไห ม, ไมอย่าคิดคิดก็ไม่ส่งเสริมมันนั่งไปอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันมันจะเห็นเลยอย่าไปคิดไม่เอาทั้งนั้นนะเราไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการดูร่มเขาออก <c oughs> นะ <c oughs> จนกลัวที่เรามีความสงบไปเรื่อๆแล้วท่ววว ต, ต้องหลับตาเ่ครับหลับตานึ่เป็นเพียงอย่าไปด่าเป็นมนุษย์เขา ไม่ต้องเพ่งอะไระงครับไม่ต้องเพ่งอะไรดูนี่นี่ดูรถเข้าออกนี่เนี่ยไอเช็ดดีดูนี่นเต็มเไม่ต้องดูอะไรนั่งเ อ, เอาตามกลังนะเอาจตามกาลังนะแกตัวนี้ขับอันมากแล่นชำนาญ ไ, ไปมันสบอยู่นะแล้วนั่งวันละกี่ทีครับออเอาเอมีโอกาสอะไรก็เอาเชื้ อ, อบางคนก็เป็นไปนั่งหรือข้างวันมันก็ไม่ได้ทางานอก ใช่เห็นแก้วุฒิประโยชน์สิใหคนมีประโยชน์มากๆยิงเสียแล้วหนีินั่งมันเวลาเราจะดนอนเลยนยังไงเนี่ยซื้อเวลาเราพักผ่อนวันหยุดอย่างนี้เราหารมไม้ดีเปนั่งเดี๋ยวหลับเลยครับนะลาตัวคนมันหมดแล้วนะ่ะคนเกียรจะมันดับเนี่ยเราเคยเขียนหนังสือเราเคยดับไหมมันก็อย่างเดียวกันนะ่นแหละเราเคยเขียนหนังสือทําบัญชีอะไรมันดับไหมนี่ ว่าจะรับยังไงมันเขียนอยู่จ่องมันรับมันก็พังเท่านั้นเนี่ยจิตนี่ก็วันกันเท่านั้นเนี่มันก็แยกออกจากลมเท่านั้นเนี่ยคนนี้ไม่ได้ทํานะสงสัยอาตมายิ่งจะสงสัยมากกว่านี้ถ้าไม่ได้ทํานะเอทีนี้ต่อไปนี้เมื่อเมื่อโยองในในจิตสงบเนี้ยไม่ต้องนั่งมากหรอกต่อไปนั่งแค่ห้านีทีนั่งไปที่มันจะเก็บัวดก็นั่งไปดูแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อคุณออกจากสมาธิ จะไปทำงานอะไรที่ไหนจะทาอะไรไต่ามจะยืนเดินนัง่งนอนให้มีสติอยู่ว่าทำอะไรอยู่อย่างนี้คิดอะไรอยู่อย่างนี้ทำอะไรอยู่างนี้คิดอะไรอยู่อย่างนี้นะ <revolutionary. S 1> <time> เอออันนี้มันเป็นที่เรียกว่าให้กำลังเราที่ไม่ไม่มีเวลานั่งนอนเราจะทำงานอันนี้ว่ายืนแล้วก็ต้องทำงานนั่งก็ต้องทำงานนอนก็ต้องทำงานให้มันมีสติอย่างนี้อยู่เสมอเท่าที่เราทำได้ ลองดูให้กิจสงบ ล, ลองลองทอีลองลองมันจะเป็นยังไงไหมให้มันเกิดขึ้นในนั้นนะในที่มันยังไม่รู้นะนะั่นแหละเออไอตัวที่มันไม่รู้นั่นนะอย่าไปถามคนอื่นโดยให้มันรู้ขึ้นมานะ่ะมันจะบอกตัวมันเองตรงนั้นเพราะงั้นเราองทำดูครับแนะ่ก็ผมคิดว่าแต่ผมไม่ทำแบบไของพวกอินเดียนยไม่ใช่ไอ้ไอ้ ไอสแตนเซนโอเมดิเทชันของอินเดียก็อช่ตรงนี้ไอเดก็ก็แบบให้พูดถึงคำคำโดยที่คํำคำนี้ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทําให้จิตว่างไปโดยที่พูดถึงคำที่ไม่มีความหมายออมันก็ใกล้าๆกันเองกันตามมุมของของเราอันนั้นเราเราเราลู่ดาไม่รู้ถึงแง่มุมของมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงที่สุดเรายังไม่รู้เรื่องของมัน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 ทำจิตให้ว่างจิตจะเอาอะไรไปทํำให้มันว่างมันว่างกันหมดแแล้วเนี่ยมันก็จนมุมมันทำนคำที่มาว่างมันว่างในของที่มีอยู่วางในของที่มีอยู่ยังไงนี่อันนี้อันนี้มันเป็นของสมมุติกันหมายถึงว่างในสิ่งที่เราคิดอยู่หรือสิ่งที่นั่งอยู่มามาผ่านเรามากระทบกระทบเราทั้งวันให้ว่างจากสิ่งนั้นเอให้ว่างจริงจรแต่อันนั้นมันมีอยู่นะ มีคือเรารู่เฉยๆคือมีมันมีม่ยึดได้ยึดมั่นถือมั่นมันมันรู้จากอยู่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่รู้มันรู้เพสิ่งที่มันมีแล้วก็มันว่างมีก็เพราะสิ่งที่มันหมายว่างมันมันมันมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ยครับอมันต้เป็นอย่างนั้นไอความไปกินแก้วนี่ไม่มีนะแต่คุณมาสมมุดคือสมมุติว่าขวแก้วนั้นนี่ ไปสมมติมาจากอะไรเนี่ยสมตมติว่าจากสิ่งที่มันไม่มีมาให้มันมีนี่นี่มันเป็นของสมมติไอ้ความไปจรินแก้วมันก็ไม่ใช่ไมนไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นธรรมธาตุขึ้นมาเฉยๆแ่านั้นแล้วก็ไปตั้งชื่อมันแล้วก็ไปยึดชื่อมันติดชื่อมันเ อ, อใครว่าแก้วก็ยึดแบบแก้วไอ้คนนี่นึกว่าถ้วยว่าถ้วยไอ้คนไปพบแก้วกับถ้วยเนี่ยพูดคนยในอย่างก็ทะเลาะกันเลยนะเ <c oughs> นี่ย พราว่าอันนี้มันสมมติมันถึงต่างกาันแต่ความสภาพของมันมันไม่มีอะไรตรงนั้นเราไปสมมติแต่มันเป็นแก้วเป็นกระโถนเป็นถ้วยขึ้นมาตามธรรมชาติมันนั่นไม่มีอะไรมันมีเมื่อเราสมมุติขึ้นมานี้อย่างตัวเราทุกคนมีชื่อมา่อแงวันเกิดหรือเปล่านะเห็นไหมพอเกิดมาพุกพ้อเนี่ยนายคอในขอนอี่มันมีขึ้นเดียวนี้มีมีประโยชน์ไหมชื่อนี่มีประโยชน์ไห ม, ม, มสมมติมีที่ให้คนรู้จักว่าชื่อนั้นชื่อนั้นถ้าเรียกว่าคนคนดูกัรสมมตคนตั้งร้อยคนฟันคนเรียกว่าคนคนใครจะมาล่ะ ก็มาทัพันคนร้อยคนจะเป็นประโยชน์อะไรล่ะนี่จึงเรียกนายกกอนนายก่อนีประโยชน์แค่นี้สมมุติไม่ใช่ว่ามีเยออยู่จริีจริมุดมันก็มันก็พ้นจากนี้ไปคือมันไม่ดีอะไรตรง น, นี้ที่มีเดียวนี้ก็เรียวกยว่าสมมุติของเรานี้ของมันของคุณเอาเกลียวไปซื้อมาเดียวนี้ถ้ามาหาพระนี่ไม่ใช่ของคุณตรง น, นี้คุณก็จะเถียงไม่ใช่ของผมผมซื้อมาเดียวนี้ชื่อกว่าจริงชื่อมาก็ไม่ใช่อ่าอย่างนี้มันว่าอย่างนี้ ลงการ น, นั่กสมาีินี่ผลประโยชน์นี่อท่านยังไม่ได้ไปผมว่าท่านเขาอยากให้อธิบาย อ, อ, อ, อยาจารมาเห็นว่ามันมันไม่ค่อยยากอะไรน ะ, อะไอ้ผลมันเกิดมาจากเหตุกันเถอะถ้าเราทำแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเองไม่ไม่อยากจะรู้ทำไก็รู้เช่นผลไม่ผลนี้เนะะต่ทำไงเขาเข้าใจอย่างเดียวก็ให้เข้าใจหมดนะอาจามาไม่เคยมาเหมือนงอมนะ ไม่รู้ว่าผลอะไรนะก็ม่ทานแม่อร่อยดีนะมันหวานมันหอมรู้จักหมดแต่อาจมาก็ชื่อผลอะไรเนี่ยอาจมาก็ไม่สำคัญมากไม่ต้องถามหานั้นเลยรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ถ้าถ้ามีคนขอบคุณมาบอกว่าผลนี้ชื่อนั่นก็รับฟังนะถ้าไม่มีใครบอกก็ช่างมันใหแอจะมาในชั้นผลไม่ชนิดนี้ก็แล้วนะเท่านั้นแหละถ้าก็อันนี้ผลอันนั้นมันไม่เพิ่มความหวานกว่านี้แล้วใช่ไหม มันไม่เพิ่มความมาเด็ดอร่อยขึ้นอีกหรอกครับนี่เข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ควรรู้ก็รู้ในคน ร, รู้คนเกิดคือเกิดเกินช่ไหมนี่จิตของคุณจะเยือกเย็นคุณจะมีสตสิปัญหาได้เกิดขึ้นมาพวกเป็นตันคุณจะพยายามตัดนะัะไม่เป็นทุกอย่างสมอไปรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเออนั่นนะมันจะเป็นอย่างนั้นอืออือจะจะจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ค่อยๆช้าเอียดไปอย่าเร็วนะนี่น่ากลัวจะร้อนเกินไป อย่าให้ร้อนนะร้อนไป่พบนะรอมหนึงร้อนใหญ่นะืมพยายามนั่งมาตั้งสาสี่สัปดาห์ไอวางซะคือคืออย่าไปเอาอะไรเลยนั่งนั่งการทาเพียนนั่งเพราการปล่อยวางไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างนั้น่ไหไม่ได้คิดอะไรครับะเพื่อเพไอความเพื่อให้พันเพื่อสงบไปละคิดสงบไก็สงบกับบางครั้งสบางครั้งก็เเรื่องไม่นแล้ว มันก็แล้วแต่เรือ่องในสังคมกามคิดต้องจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยกข้าให้ปุ๋ยถูกคนให้อาหารถูกคนจะเปลี่ยนลตัไปเร่อๆเออแต่สรุปแล้วดีกับสภาษิตฮะนี่คสุภาษิต้องเอานีันนี้อสเาเรียกหลวงพ่อกำนมากไ่ไม่ไ่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวดีเค เราวมีกรรมฐานมีกรรมฐานเด่นคือว่า เ, ออเรื่องการนั่งกรรมฐามเนเนี่ยนะคะซึ่งหนูก็เคยทดลองและหนูได้ไปที่วัดก็มีท่านอาจารย์หลวงพ่อที่วัดนะคะได้สอนถึงจังว่าวิธีนั่งกรรมฐานเนี่ยให้เรานั่งแบบที่หลวงพ่อได้สอนเมื่อกี้นี้ยนะคะแล้วให้เพ่งจิตที่ลมหายใจเข้าออกแในระหว่างที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าจะเป็นการดีหรือว่า สำคัญหรือไม่ที่เราจะใช้ทําผู้ช่วยหายใจเข้าพุธหายใจออกโธพุธโธตลอดเวลาหรือว่าเราจะเพ่งจิตที่สายลมหายใจทุาทมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องทําผ่านไปด้วยมือจักที่เราไปห้อพุธโธพุธโธมันทํางานยากเราฝึกมาตั้งแตให้ว่าพุธโธพุธโธน่าไปแต่ก่อพุธโธพุธโธที่เมื่อจิตเดนมันละเอียดนะไอ้พุธโธมันเป็นของยากแล้ว ถ้ามามองเพ้งว่าพุทโธมันจักจะรำคาญเกิดความสงสัยนี่นี้เราจะไม่ว่ามันไม่ได้ไหมเนาะไอ้พุทโธนี่คือตัวผู้รู้นั่นเองเนี่ยไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้แต่มันรู้ไหมว่าเข้าออกแต่มันนั่นความรู้นั่นเรียกว่าพุทโธไอตัวพุทโธนี่คือคําพูดที่เรารู้มันลมเข้าออกอยทุกขณะ น, าานาั่นไม่เป็นตัวพุทโธอย่างแท้จริงแต่เมื่อในระยะมันไปเปลี่ยนกันซะสงสัยท่านอาจารย์บอกให้ว่าพุทโธพุทโธ เราก็ไม่ว่าพุทธโธมันลมมันก็ออกอยู่มันจะเป็นตัวสงสัยหนอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องพูดว่าพุทธโธมันก็รู้อยู่แล้วความรู้นั้นนเรียกว่าพุทธโธความรู้สึกว่าพุทธโธนะั้นเรียกว่าพุทธโธอยู่แล้วมันเปลี่ยนแคงนี้เข้าใจแค่นี้ก็พอเนี่ยทำมาวางเหมตัวนี้เจเจ๊ไม่ต้องนับพัดกัไปตรงนี้ก็ได้แค่รู้ว่ามันออกหรือมันเข้าทานั้น น, นิ่งอยู่ตรงนี้คนที่สุด มีเห็นจิตอยู่ที่นี่เห็นดมอยู่ที่นี่เห็นสติอยู่ที่นี้เห็นความรู้อยู่ในพร้อมกับความสงบจริงทงั้งหลายเรานี่สงบลงไปแล้วจิตก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ทีนี้ออกจากนี่ไปเราจะก่อนนั่งสมาธินี่ควรที่จะพิจานาตั้งแต่อิษะมาเปหาฝ่ายเท้าส่วนนี้หมดะพิจนากายกายทั้งก้อนเป็นกาย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 พ่อบ้านแม่บ้านมันจะอยู่เป็นสุขโดยทเลาะกันเพราะอะไรมันจะได้ค้นคว้ามาอ่านดูมันจะรู้จักมันจะรู้จักปล่อยจังหวะจิตใจเราจะสงบเห็นเนี่ยมันปล่อยเห็นเรื่ยมันปล่อยเป็นจิตใจที่เยือกเย็นจิตใจที่เนีนนะ่นหนาเป็นกำลังที่จะเกิดปัญญาของเราสําหรับให้เราเยือกเย็นในครอบครัวนี่ชีวิตเป็นอยู่แล้วแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งคือมีท่านผู้ใหญ่ออคุณอายุเก่าทเราเขาคุณป้าคุณยายนะ จะเล่าให้ฟังว่าท่านได้นั่งกรรมฐ า, านและเป็นความจริงนะคะว่าเมื่อทุกคนที่ทุกคนที่มีจิตศรัทธาแน่นแล้วก็นั่งกรรมฐ า, านเนี่ยเมื่อนั่งพัดานานเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆเกี่วยวกับนรกสวรรค์เพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เล่าให้ฟังไม่เป็นความจริงอันนี้มัน เ, นเรื่องเด็ดเสร็ดอันนี้มันเรื่องคนกระบุกคนมันเรื่องทิ้งทั้งนั้นแหละถ้าเห็นสวรรค์จะกระโดดเัืขึ้นไปไหนเลย เห็นแสงสว่างอยู่ในเมืองเราแสงสว่างเยอะไปนะไม่ต้องไปนั่งดับตาไม่เห็นสสว่างหรอกเดินไปตามเมืองจำนาเสนสว่างมันเยอนไปเลยไม่ต้องอยากเห็นนันนั้นอยากจะเห็นความเสื่อยของพ้มจิดดังนี้เมื่อถูกอารมณ์ไม่อยากใจมันไปยึดมั่นถือมันในมันพ้นจากทุกข์แล้วนะอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นไปกัมันเป็นมันเป็นเครื่องปรับของผู้มีปัญญาอืมันเป็นของเบ็ดตาเล็ตนะไม่เป็นของมันไปยึดมั่นถือมันอะไรถ้าไม่ต้องการอันนั้น อันนั้นมาของภายนอกมันเป็นไปได้ทุกอย่างนนั่นคือจประสงค์ขององาก็คือว่าการนั่งกรรมฐานที่ต้องการทำจิตใจให้สงบใช่แต่ว่าการนั่งกรรมฐานของท่านผู้ใหญ่ที่เคยเร่าให้ฟังว่าทำไมเป็นแบคือตั้งกรรมฐานแบบต้องการอยากจะรู้อยากจะรู้คนชอบเพ็นรบรรลคนชอบเพ็นหมรลุจะไปนั่งทัไมทำทานทำไมอย่างไ น, น, นั่งไปดูดมีไม่ต้อาะเวดูหน่อ ไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นของปลอมอะไ่มันต้องไปด้วยเนีคือ้าเผิดนั่งให้ต้องการจะเห็นเห็นจริงก่ะไม่รู้บางคนมันก็เห็นบางคนตัวไม่เห็นไม่ใช่คนคนเดียวมันคนหลายคนทำอยนเฮ้อเฮ้ยเห้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยยเอ้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยย้้เเ ไอ้เจ็บเช้ามากกว่าปล่อยในตัวนวางเลยแสดงว่าเขาเ็ไม่ว่างจริ่ดเท้าเองใช่ถก็ล้วครับท่นถ้าเห็นก็เห็นมีเหตุผลดีคน่เห็นเห็นเรื่องจนมาหลังนั้นเอมันมีเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวเห็นมากๆหรือบ้าไปเลย